เราที่มาภาวนาเนี่ยเป็นการทําได้ยากทีเดียวที่จะมาภาวนากันผู้นี้จะภาวนาเนี่ต้องมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างทีเดียวที่จะพาเรามาภาวนานะที่นี้ได้น แ, แรกก็คือว่าต้องมีความเรื่มใสในพระรัตนตรัยบ้างพอสมควรทีเดียวเนี่ยเราต้องมีความเรื่มใสในพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่เห็นคุณค่าของ การปฏิบัติธรรมะเราจึงมาปฏิบัติกันอันแรกอันดับแรกอันดับต่กไปก็คือว่าอะจะต้องมีการเสียสละอะครที่มาภาวนาที่ต้องมีการเสียสละเสียสละอันเรื่ต้นก็เสียสละอวัตถุสิ่งของเงินทองบ้างที่จะต้องเดินทางวันนี้ต้องมีค่าใช้ใจ่ายบ้างอันดับแรกเดียวแล้วก็ต้องเสียสละเวลา การงานต่างๆที่เราจะต้องทําต้องเสียสละเสียสละความสนุกสนานอันเปื้มีเพึ่มได้อบางคนก็อยากจะไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ก็ต้องไม่ได้ไปแล้วต้องมาเข้ารายการภาวนาเนี่ยก็ต้องเสียสละการสนุกสนานเพลินๆนั่นต้องมีการเสียสละเป็นอันดับสองอันดับต่อมาทําไมไม่มีการเสียสละมาไม่ได้อ่ะอันดับสามก็คือว่าอันนี้ต้องมีใจถึงเ มีจิตใจแน่วแน่ในพุทธศาสนาว่ามันถ้าไม่มีจิตใจแน่วแน่เน่มาไม่ถึงะบางคนมีศรัทธาก็มีศรัทธาเสียศระก็เสียศระแต่ไม่มีจิตใจแน่วแน่มามาไม่ถึงมาไม่ได้คิดว่าจะมาจะมาคิดว่าจะทําจะทําจะไม่ไม่กล้าตัดมิจฉาที่จะทําเพราะจิตใจไม่ถึงใจไม่ถึงอันนี้เป็นความสําคัญข้อหนึ่งเหมือนกันในการปฏิบัติธรรมบางคนในตั้งใจว่าจะทําตลอดชีวิต ไม่ได้มาเลยเนี่ยก็อยากจะมาเข้าคอร์สขางคนก็มาอยากจะมาแต่ก็ไม่ได้เข้าทุกทีผัดวันประกันพูมิไปเลยจะตายก่อนตรงนี้นี่จะต้องมีใ จ, ใจิตใจแน่วแน่ใจถึงอันดับต่อไปก็คือว่าต้องมีความอดทนพอสมควรทีเดียเพราะ ว, รว่าการมาปฏิบัติดีจะต้องใช้ความอดทนเป็นแรงขับดันทีเดียวไม่ใช่สนุกสนานเพลินการจะทําความดีนี่จะต้องมีความอดทนความพยายาม จิตเราถึงจะพัฒนาถ้าสนุกสนานเพลิดเพลินเองจะทําให้จิตเราต่าลงแบบทางคงตรงข้ามเลยเนะีคนเราไม่ไม่รู้ถึงเรื่องนี้เคิดจะจะมาแล้วจะให้เกิดความสบายไม่ใช่ไหมมา้องเกิดต้องใช้ความอดทนเพียรพยายามมาถึงจะได้แต่ผลที่ได้น่ะคุ้มค่าเกินคุ้มทุเลนะี่ยมเนยราะการที่เรามาเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยบางคนคิดว่า <G ül ets> เขาบอกว่าได้ปรารถนามรรคผลนินลนพพานไม่ได้ปรารถนาสวรรค์ น, นิพพานอะไรนี่จะมาทำไมเสียเาเปล่ามองมาเห็นสิ่งเหล่านั้มาานมองมาเห็นแต่ที่จริงไม่ต้องปรารถนามรรคผลนิพพานก็ได้อไม่ต้องปรารถนาสวรรค์ก็ได้เนี่ยธรรมะปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยผลที่ได้เป็นได้ในปัจจุบันเลยทีเดียวนี่ท่านเรียกว่าสุขที่ทจะทําสุขวิหารได้ผลประโยชน์ในปัจจุบันเลยทีเดียวก็มารม ป, ปฏปิฏบัติธรรมะเนี่ย พัฒนาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตของเราเนี่ยอันแรกก็คือว่าทําให้จิตของเรามีสุขภาพดีจิตของคนเราเนี่มันก็ถ้าเราไม่ระวังรักษามันอืไม่ดูแลมันสุขภาพจิตก็แย่เหมือนกันเพราะนั้นเราจะต้องดูแลจิตจิตตัวมันก็ายน่ะจริงสุขภาพต้องดูแลรักษาตรองมี ก, การอออกกําลังกายบ้างอะไรบ้าง ไม่งั้นมันจะอ่อนแอสุขภาพเสียการทานโรคภัยการเจ็บไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นคนเราสมัยนี้ี่ละเลยในการที่จะอะศึกษาเรื่องจิตปฏิบัติเรื่องจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงมีสุขภาพจิตที่แย่เลยสังคมเราปัจจุบันเนี่สุขภาพจิตเสียสุขภาพจิตเสียงไงน่าฮิกเดียวที่สังเกตตัวเองตื่นมาเช้างุนงงขึ้นมา มองเห็นหน้าใครงุดกินปดโดยเฉพาะคนที่เรารับเห็นเ้าก็งูดกินตักก็อีกคนในครอบครัวเราเห็นเรางูดกินนั่นล่ะเริ่มละเริ่มสุขภาพจิตแย่เต็มทีแล้วจะต้องจัดการแก้ไขแล้วก็อารมณ์อ่อนไหวง่ายใครพูดอะไรนินดหน่อยไปถูกใจแย่เล ย, ยเยอะนะการงานต่างๆนี้มันรู้สึกว่ามันไม่มีการสร้างสรรค์เลยแล้ว กุ้มใจไปหมดเห็นงานเนี่ยรู้สึกพอแท้เห็นปัญหาต่างๆนี่แง่กุ้มใจอยากจะวิ่งหนีไปหมดตรงข้างข้ามคนที่มีสุขภาพสิตดีเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมานี่สดชื่นแจ่มใสทีมองอะไรนี่สดชื่นทั้งหมดเห็นปัญหาอะไรนี่ไม่ไม่ไม่กลั ว, ลวต่อปัญหาทั้งหลายนะเรื่องราวต่างๆนี่พร้อมที่จะแก้ปัญหามีความสร้างสรรค์น คนรูบกลางเข้ามาใกล้ก็ชอบใจยิ้มย้กแจใสยนี่สุขภาพจิตนี่เห็นง่ายง่ายนี่สุขภาพจิตจะดีะเดี๋ยวถ้าคนมาปฏิบัติธรรมอันแรกอันนี้ต่อไปก็สมรรถภาพของจิตจะดีประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นการทำงานต่างๆจะดีขึ้นหมดเหมือนคนเราเนี่ยสุขภาพดีทั้งร่างกายการทำงานก็แข็งแรงทาอะไรก็ดีไปหมดจิตขคนเราเนี่ยถ้าหากว่า สุขภาพจิตดีสมรรถภาพจิตก็ดีด้วยทํางานทําการอะไรต่างๆไม่ผัดวันประกันพุ่มทำอะไรก็ได้รับความสมุขสันต์อย่างดี เ, เดียวมีความจิตสร้างสรรค์ต่างๆเนี่งานเอาต่อไปคุณภาพจิตก็ดีขึ้นมาคุณภาพจิตจะสูงขึ้นไปถ้าเราปฏิบัติทำเนี่ยคุณภาพจิตของเรานี่ยสูงขึ้นมาเป็นที่ยอมรับของสังคม เ, เดียวนี่ ถ้ิตของเราสูงนี่จะเป็นผู้ที่อ่าเสียสะละรู้จักเสียสะละรู้จักการอันควรและไม่ควรรู้จักผูกผิดดีชั่วต่างๆนี่จะเป็นที่ยอมรับของสังคมทีเดียวนี่นี่สำคัญทีเดียวคุณภาพจิตจะสูงขึ้นสูงขึ้นเราจะมองโลกในทัศนคติกว้างขวางและไกลและลึกซึ้งขึ้นมาจะทําะไรตับตัวเขากับสังคมได้อย่างดีทีเดียวนี่ไม่ขัดแย้งกับสังคมคุณภาพดี ของที่คุณภาพดีเนี่สินค้าที่คุณภาพดีใครๆก็ต้องการเป็นที่ยอมรับของผู้ใชยเนี่ยคนที่มีคุณภาพจิตดีเนี่ยไปที่ไหนก็เป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นคนที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมไม่เอาเปรียบสังคมทํางานทาการเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมไปที่ไหนก็เป็นที่ยอมรับของสังคมนี่อดีตสงฆ์นี่ ใใประจําในชีวิตประจําวันของเราเมื่อเราปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้องนี่ยการปฏิบัติถ้าถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีอันแรกตรงมีสุขภาพจิตดีอันหลังก็มีคุณ่ามีสุมีสมรรถภาพจิตดีแล้วก็มีคุณภาพจิตที่ดีนี่ถ้าเราปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นอันอันดับแรก ดัดต่อไปก็รู้ว่ามีความมั่นใจในโลกหน้านะคนเราเนี่ไม่ใช่อาตายเราจะไปไหนนี่ถ้าคิดแล้วกุ้มใจเหนกันบางทีสะดุ้งจนกระทั้งคนเราไม่กล้าคิดเพรากลัวไม่รู้จะไปยังไงแต่หากว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราจะมีความมั่นใจเดียวเราจะต้องไปดีแนะไม่กลัวในเรื่องนี้หมนะดไปก็ไปหมดไปแล้วเราจะต้องไปในทางที่ดีอพรามีความมั่นใจในการปฏิบัติ มั่นใจในตัวเราเองมั่นใจในการปฏิบัติธรรมะมีความมั่นใจในโลกนาอันที่สามก็คือว่ามีความมั่นใจที่เราจะพัฒนาตัวเองให้มีความสุขที่แท้จริงได้นี่อัน น, นี้มีในพุทธศาสนาอะไรอย่าเงี้ยที่เราจะพัฒนาตัวเองให้สู ง, ส, ง, ส, งสุดเลยเดียวที่เรียกวาคนิพพานเดีย ว, นนยยวที่จะมีความสุขเช่นในเวียนกับปรทุกอีกเลยนี่ อันนี้มีในพุทธศาสนาเท่านั้นเองศาสนาอื่นๆไปไม่ถึงศนะาสนาพริกนี่มองไม่ออกเลยทีเดียวคิดว่าตายไปแล้วก็ขึ้นสวรรค์ชั่วนิรันดร์ถ้าทําความดีทําความชั่วก็ตกนรกชั่วนิรันดร์มองเห็นแค่นี้มองไม่ออกมากกว่านี้แต่ฮินดูนี่ฮินดูนี่พวกฤุสีที่ก็มองเห็นการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ใช่ว่าขึ้นสวรรค์แล้วบางทีก็หมดบุญจากสวรรค์ก็อาจจะตงนรกก็ได้นไปเป็นสัตว์ก็ได้อะไรก็ได้ด เ, เวียนว่ายไทยเกิดทุนเทานี้ไม่ใช่ว่าขึ้นสวรรค์จะขึ้นสวรรค์ชั่วนิรันตกนรกตกนรกชั่วนิรันไม่ใช่เงนินมันมีการเวียนว่ายตายเกิดมีการวิวัฒนาการและอวิวัฒนาการบุญเวียนไปพุทธศาสนาเราเรียกว่าวัดตะกวดเวียนอยู่ในวัดตะสงสารเวียนว่ายตาเกิด เป็นวงกลมเลยเดียวบางครั้งก็ขึ้นสูงบางครั้งก็ลงต่ำวนเวียนกันอยู่เช่ น, นี้ไม่มีที่สิน้นสุดเลยเห็นดูมองเห็นนะแต่ก็หาทางออกไม่ได้เหมือนกันก็พยายามจะออกก็ออกไปดได้แค่เลยก็ไปที่สูงกว่ากว่าสวนไปพรมแต่ก็พรมก็ยังอยู่ในวัฏฏะนี่เองหมดพรมหมดบุญจากพรมก็อาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์ทําความชั่วลงนรกไปอีกนะยังอยู่ในวัฏฏะ พุทธศาสนาพระเจ้าพระองค์ก็มองเห็นอันนี้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงหาทางคนคนอ่คน้ค น, คนหาทางใหม่เพื่อที่ทำใดได้รับความสมเร็จได้พบทางที่จะไปสู่ความสุขอนแท้จริงไม่เวียนกลับมาถุยเรียก็มกรรคผลนิพพานทีเดียวอันนี้มีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นเองนี่เรามีความมั่นใจอันดับสุดยอดเลยเดี๋ยวว่าเราจะไม่เวียนกลับมาถุกถ้าเราปฏิบัติเดินทางนี้แล้วก็ แม้ว่จะไม่ได้ในปัจจุบันแล้วก็เดินใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปนี่แล้วเป็นผลที่ได้ที่เราจะได้ในการปฏิบัติได้ทุกระดับขั้นตอนของการปฏิบัติตั้งแต่ชีวิตประจําวันตายไปแล้วเราก็จะมีความสุขโกเราจะพัฒนาไปถึงความสุขที่แท้จริงสุดยอดนี่แล้วผลของการปฏิบัติ แต่ทางนี้และทํางนั้นเราจะต้องปฏิบัติกันจริงๆจำจริงแต่จะต้องปรารถนาที่ผลต้องการต้องการผลก็ต้องการผลจริงจังก็ต้องทําจริงจังอ่าถ้าทำเล่นงเดก็ได้ผลเล่นงเดินอ่าว่าอยู่ที่การทำของเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผลในปัจจุบันก็ถือวการเดินทางใกล้เข้าไปใกล้เข้าไว้ในจุดมุ่งหมายของเราที่จะได้รับความตกที่แท้จริงอ่าทอนี้เราก็เริ่มปฏิบัติกัน อ๋นั่งสมาธิขากวาทับ ข, า, ข, า, า, ขาซ้ายมือกวาทับมือซ้ายอาตั้งกายให้ตรงดมล ง, ล ง, ล ง, ลงสติให้มั น, นตามตำบาตว่างั้นดมล ง, ล ง, ลงสติให้มันทํำยังไงเนี่ยสติคืออะไรสติคือจิตนั่นเองอะตัวคิดนั่นเองอ่ะตัวสังขารแต่เป็นความคิดที่ควบคุมตัวของมันเองเนี่ยคนเราเนี่ยมันคิดเลื่อยเปลือยไปตามแต่ที่มันอยากอยากจะไป เป็นธรรมชาติของจิตนี่เราต้องคิดอยู่ในกรอบไปกรอบแห้มคิดเลยเดี๋ยวให้มันคิดอยู่กับกายเนี่ยอ่เาเดียวจิตที่อยู่ในควบคุมแบบควบคุมให้จิตมาคิดอยู่กับกายเรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานนะฮะนี่กายตั้งอยู่ในลักษณะใดให้ทราบชัดในลักษณะนั้นนนี่ทำสติอันนี้ก่อ น้กถึงกายถึงเด็เท้าถึงหัวปวดถึเท้านึกถงขาเท้าวขวาทับขาซ้ายนึกถงมือมือขวาทับมือซ้ายนึกงกายท่อนล่างที่สัมผัสกับพื้นนึกเรื่อยขึ้มาที่ท้องกลางหน้าอกถึงคอถงหัวอ้าจากหัวลงมาคอลงมาท้องกลางหน้าอกกายท่อนล่างมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายกลับไปกลับมาในขณะเดียวก็หาจใจลึกดูยาผสมเข้าไปเลยนะเอาเลยทีเดียวกันเองเราไม่เสียเวลาเป็นเชือกสองเส้นดีเดียวที่จะ ดึงจิตลงไว้กับกายเพราะลมหายใจเนี่ยเราจะใช้เป็นกรรมฐานต่อไปด้วยเวลานี้เรายังเลื่อนจิดขึ้นๆลงๆไปไหนมาไหนได้ทั่วกายเลยทีเดียว เ, เพราะเรายังทําสติอยู่ไม่ยังไม่เป็นไรยังไม่ต้องกำหนดมันจุดใดจุดหนึ่งเป็นการทําสติสตินี่ทํามากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นไม่เป็นไร อาณาปานาสติคือการกำหนดลมหายใจต้องมีสติซะก่อนถึงจะทำได้ถึงจะกำหนดกรรมฐานลมหายใจได้ไม่เช่นนั้นหาอะไรไม่พบที่ไม่เคลื่อนไปก็ปุ่งสั่นหาอะไรไม่พบเลยต้องทำสติซะก่อนกายตั้งอยู่ในลักษณะใ ด, ดให้ทราบชัดในลักษณะนั้นผสมกลมหายใจเข้าออกแหวนนึกหายใจลึกๆอยาวผสมกูไปเลยนี่เป็การทำสติทำไป ต่อไปเราจะทำสมาธิอนึกถึงกายชาติสักครั้งนึงขาข้อขวาทับข้อทรายนึกถงมือมือขวานับมือทรายให้ถึงกายธรรงมที่สัมผัสกับพื้นนึกถึงริ้วที่มาถึงท้องกลางหน้าอกถึงคอทถ้งหัวถึงบริเวณใบหน้าใบหน้าอจิตในเวลานี้นึกถึงบริเวณปลายชี้จมูกปลายชี้จมูกจิตในเวลานี้สมมุติว่าลมหายใเข้าให้ชออกผ่านบริเวณปลายชี้จมูก ให้ใจเข้านักพุทธห้ยจออกนักโทพยายามประคองจิตยจฝงสร้างอย่าให้เคลิ้มหับไอยู่กับลมหายใจก็ออกบริณปลายชี้จมูกเข้าพุทธออกโธเวลาห้ใจเข้าไม่ตรองนึกตามลมหายใจเข้าเวลาเวลาให้ใจออกไม่ตรงนึกตามลมหายใจออกนึกอยู่ที่บริเวณปลายชี้จมูกแผ่นเดียวพยายามประคองจิตให้จฝงสร้างอย่าให้เคลิ้มหลับไอยู่กับลมห้ยใจออกบริเวณบริเวณปลายชี้จมูกเข้าพุทธออกโททําไป เราใช้พุทโธเป็นคำบริกรรมผสมไปด้วยการทำสมาธิในเบื้องต้นต้องใช้คำบริกรรมช่วยด้วยคำบริกรรมนี้อาจจะเป็นอะไรก็ได้ ต อ, อนนี้เราใช้พุทโธนี่เพราะว่าเป็นคำบริกรรมของไทยเราดั้งเดิมคนไทยเราเนี่ใช้พุทโธเป็นคำบริกรรมที่ติดเป็นนิสัยเวลาจะอุทานเราใช้คำว่าพุทโธใช่ไหมพุทโธเลยเราใช้คำพุทโธเป็นคำบริกรรมปรับลมให้เขาออกบริบบตปทั้งจมูกเข้าพุทออกโธทําไป ขณะนี้เรากำลังกุณฑลปมหายใจก็ออกบริเวณปลายชงจมูกขาพุออทธโธอันนี้เป็นสมถะว่าทำจิตให้สงบทำจิตให้มีกำลังจิตข อ, องเราจะมีความสบายแต่ถ้าว่าไม่เกิดปัญญาปัญญานี้เราจะต้องเดินทางต่อไปเรียกว่าทำวิปัสสนาน มีคนก็ว่าบอกว่ากังวลลมหายใจเขาออกเขาพุทออกโพลี่เป็นสมถะใช่เป็นสมถะถ้าเรายังใช้พุโทโพอยู่ก็ยังเป็นสมถะเพราะยังยใช้คําบริกรรมถ้าเราจะให้เป็นวิปัสนาที่จริงก็ง่ายๆก็หยุดพุดโทโธ ล, ลี่กัลลมหายใจก็เป็นการเริ่มต้นของวิปัสนาเหมือนกันแต่นี้บางคนก็ติดคําบริกรรม ติดคาบริกรรมเอาออกยากไปเดียวคงทีแล้วไม่รู้จะเดินทางไปยังไงต่อไปก็เ้าพุออทธอภูตโยงมันอาชีจริงก็มีวิธีการมีกรรมวิธีถ้าคนติดพุดทธโผแล้วก็พยายามที่จะแยกพุทธโธออกไปจากลมหายใจอแล้วก็เอาต่อไปนี้เราก็จะแยกพุทธโธออกจากลมหายใจกำหนดลมหายใจเขาออก บริเวณปลายช่องจมูกเป็นหลักในขณะเดียวก็บริการพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆโดยไม่ต้องสัมพันธ์กับลมหายใจกําหนดลมหายใจก็กําหนดไปที่บริเวณปลายช่องจมูกบริการพุทโธพุทโธพุทโธก็บริกรรมไปจะเอาลมหายใจให้ชัดพุทโธจะเบลอมันก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเราถ่ายภาพมีโฟกัสอันนี้เราชัดหน่อยและกลาวจะเบลอไปมันก็ไม่เป็นไร รู้สึกคนเหนื่อยสักหน่อยเหนยแต่ความรู้สึกเราจะชัดกันมาแีเดียวนี่สติจะดีขึ้นก็มหมดลมให้ยใจก็ออกบริเวณปลายช่องจมูกเป็นหลักในขณะเดียวก็บริกรรมผู้โตพู้โตผู้โตเร็วๆโดยไม่ต้องสัมพันธ์กับลมหายใจทางคนทางทํามตอนี้นทําท้องอย่างทีเดียวจะรู้สึกคนเหนื่อยพลุนพลั ง, ลงการแยกลมหายใจโตออกจากลมหายใจ ทำไปสักเดียว ขะนี้นนแล้วกำ ล, ลังกังลหลงไม่ใชก็ออกบรินวปลายงชงสมอกเป็นหลับในขณะเดียวก็บริกรรมพุทโธพุทโธตัวเ็วโดยไม่ต้องสัมพันธ์กับลมหาใจต่อไปอยู่พุทโธสิ่ง่พุทโธกังวลหลงไมใช่ก็ออกบรินวปลายช่องมองเข้ารู้ออกรู้นี่ยตันี้เข้ารู้ออกรู้นี่เป็นคําวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์เนี่ยต่างกับคําบริกรรมยังไงนี่วิตกวิจารณ์เนี่ยเป็นอารมณ์ของสมาธิเหมือนกันเบื้องต้น คือการพูดกับตัวเองนั่นเองการทําสมาธิเบืต้นต้อพูดกับตัวเองทาไมพูดกับตัวเองมันเป็นเลยทีเดียวแต่พูดอย่างไรเราทําอย่างนั้นน่ะหายใจเข้าแล้วก็พูดกับตัวเองว่าเข้าหายใจออกก็พูดกับตัวเองว่าออกะยหายใจเข้าก็รู้ให้ใจเข้าเล้วก็ได้ว่าเข้ารู้ออกรู้เลยรู้ในลมหายใจที่เข้าที่ออกนะให้รู้ความมีความรู้ชัดอยู่นั้นเข้ารู้ออกรู้เป็นก คำวิปุกวิจารอันนี้ไม่ไม่ใช้คำบริกรรมนะมเป็นการที่เราทำสติยางแท้จริงนะเอาจะเดินเข้าสู่วิปัสสนาแนละ้วเป็นวิปัสสนาเรื่องต้นกวาานะ่าใดลมหายใจแท้ๆแบบนี้โดยไม่ต้องใช้คำบริกรรมแต่ใช้คำวิปุกวิจารแทนไปชม ปรับลมหายใจให้รู้ให้ชัดหายใจเข้าก็ให้ชัดรู้หายใจก็ให้ชัดไงนะเนี่ยตรงนั้นลมหายใจเข้าเขาออกเป็นปลายนงูเข้ารู้ออกรู้เอา้าทําไป